ภิกษุณีอุปสัมปทานุชานนะว่าด้วยการอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าหม่อมฉันจะปฏิบัติอย่างไรกับนางสาคิยานีพวกนี้พระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคส่งชี้แจงให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจฐารแกล่ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นกร้าวเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติ เราใจให้อาหานแกล่ากลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วเสด็จกลับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรา อนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายต่อมาภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีดังนี้ว่าแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย พึงให้อุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอา น, นุ์ถึงที่พักครั้นแล้วอภิวาสได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอา น, นุ์ดังนี้ว่าท่านอานตน์ภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบท แต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายลําดับนั้นท่านพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาสนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ในเวลาที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีรับคุธรรมแปดก็ชื่อว่าได้อุปสมบทแล้ว